Thank <laughs> you. ทรงสุบินนิมิตรประหลาดสาประการคือหนึ่งสุบินเห็นโคเผือกผู้มีลักษณะสง่างามสมเป็นอุสุภราชเดินอย่างสง่าผ่าเผยมาตามถนนไม่มีใครจับได้พระนางจึยื่นเข้ากดคอโคเผือกผู้นั้นแต่มันสบัดอย่างแรงแล้วกระโดดข้ามกรแพงเมืองไปสองสุบินเห็นเทวดาสีองค์มีเนตรงาม ลอยเปล่งปางอยู่เบื้องฟ้าท่านกลางหมู่เทวดาเป็นอันมากแล้วหกลงมาสู่กําแพงพระนคยกบิลพัทและได้เห็นธงของพระกินท์ปูสายเหนือประตูแล้วตกลงมาท่านใดนั้นมีธงอีกธงหนึ่งปูสไายุ่งโรดสลัดชายมีรัศมีจำจรัสได้คล้อยทับถิมอันประดับปิดอยู่กับเลืดเงินมีอักษรจารดบนถ้อยคําและประโยคซึ่ง จะทำให้ธรรมชาติทั้งหลายมีความสุขฝ่ายทางทิศมุรพาก็มีลมแห่งอรุณโนทยซึ่งคลี่ธงแมววัดให้การออกเต็มที่เพื่อทุกคนจะได้อ่านทั่วกันแล้วบีบุปผชาติทางพิเศษซึ่งเป็นดอกไม้แห่งประเทศใดไม่ทราบได้มีสีประหลาดตกลงสู่พื้นลานของเราประดุพิล บินว่าพระนาได้ทรงสั่บเสียงแปลกประหลาดว่าเวลาใกล้เข้ามาแล้วเวลาใกล้เข้ามาแล้วพระนารู้สึกหวาดหวั่นมีความประสงค์จะจับร่ากายของพระสวามีเป็นที่พึ่งแต่พระนางพบแต่ความว่างเปล่าไม่มีพระสวามีอยู่ที่บรรทมพระนางลุกขึ้นแล้วเหลือบแย่ไปเห็นรัดพระกไขหมุกรองพระสิทธถะ อยู่รอบพระอุทธรของพระนางมันกลายเป็นปูขบกัดพระนางแลแล้วพระนางก็ได้สนับเสียงโคลเผื่กผู้ตัวนั้นร้องกล้องมาจากที่ไกลและณที่นั้นก็มีธงปูวสวายอยู่และมีเสียงประหลาดดังมาอีกว่าเวลารุกงเรื่อกมาแล้วเวลารุกงเร่องมาแล้ ว, ลรลวพระนางทรงหวาดกลัวต่อเสียงนั้นจนตื่นบรรทม สันริกเหมือนเด็กน้อยเต้าละอองหนาวแห่งหิมะเมื่อฮารุโนไทเจ้าชายประคองกอดพระชายาเข้ามาแนบพระอุราเป็นอะไรปไปนะยโสธรายอดรักพระนางซุกพระพักไว้กับอุราประเทศแห่งเจ้าชายทูลทั้งเสียงสะอื้นว่าหม่อมฉันกลัวเพคะหม่อมฉันกลัวกลัวอะไรยอดรักหม่อมฉันฝันไปเพคะ คงเป็นฝันร้ายมากเธอฝันอย่างไรบอกชั้นมาซิเธออาจจะสรงคิดมากไปก็ได้พระนางเจสฎาลาทรงเล่าสุบินนมิตรทั้งปวงให้พระสวามีทรงทราบแลแล้วทูลเพิ่มเติมว่าฝันอย่างนี้อาจมีอันตรายแกหม่อมฉันรหรือมิฉะนัน้นอาจหมายถึงว่าพระองค์จะต้องพัดลากจากหม่อมฉันไป พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของหม่อมฉัน พระสิทธะทรงสดับดังนั้นมีพระไทยอ่อนโยนและกรุณาและทรงปรอบพระชายาว่าสุดที่รักอย่าคิดอะไรมากเลยความรักที่ฉันมีต่อเธอนั้นเดีียวแน่นมั่นคงยิ่งนัก หากฉันจะจากไปที่ใดและทำสิ่งใดก็จากไปและทำเพื่อเธอเพื่อสมเด็จพระราชบิดาและเพื่อคนทั้งหลายที่ฉันรักฉันรักเธอมากเพียงใดก็ปรารถนาให้เธอมีความสุขอันไม่รับนด้วยความทุกข์มากเพียงนั้นเธอเองมีความดีอันทาให้ฉันมีจิตใจจดจอเธอไม่มีข้อบกพร่องอันหน้าเบื่อหน่ายแต่ประการใดเธอนามยิง่งดียิง่งอ่อนหวานยิง่ง ทั้งในธานีไม่มีสตรีใดเสมอได้เธอเลยแต่ยอดรักฉันคิดไกลเกินไปหรือไม่ฉันอยากจะช่วยเหลือโลกช่วยเหลือคนทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ทรมานซึ่งติดตามหมุนตามเข้ามาเป็นเวลานานมั่อลอกเวียนหมุนตามรอยเท้าโคไปถ้านอนเสถ่ิดฉันจะออกไปข้างนอกสักครู่หนึ่งพระนางโสุธราทรงบันทมต่อไป พระสิทธทาลุกจากประแท่นวันธมไปประทับยืนรับลงที่เฉียงด้านตวอนออกเดองจันท์สุกสกาวเงินผ่องลอยเด่นอยู่น่านฟ้าผืนหน้าผ า, า, าปลาากเมฆหมอกแสงจันทร์นั้นสาดมากระทบผิวกายเข้ามากับกระแสลมอ่อนต้นมัชิมยามก่อให้เกิดความชุ่มเย็นเป็นสุขจินตนาการของเจ้าชายได้ถอยห่างออกไปไกลจากโลกมนุษย์อันศับสน ทรงจ้องมองดูดวงจันทร์แล้วลำพึงว่าจันทร์เจ้าเอ๋ยเจ้านันงลอยเด่นท่ามกลางฟ้าปราศจากราคีกับเมฆหมอกช่า ง, งามมีรัศนีชื่นเย็นอะไรเช่ น, นั้นเจ้าเป็นอิสระลอยอยู่ดวงเดียวเป็นเจ้าแห่งหลาคลีใครได้เห็นเจ้าก็พรายชุ่มชื่นไปด้วยเจ้ามีอาการเหมือนยิ่งไมน้อยกับทุกๆคนไม่เลือกว่า ราชาหรือยาจกคนแข็งแรงหรือทุพพลภาพฉะไหนหนอข้าจะได้ปรากฏเหมือนเจ้าบ้างได้ช่วยเหลือให้ทุกคนมีความเชื่อมสุขให้โลกได้รับพรัสมีอันเย็นช่ำจากข้าเช่นเดียวกับรัสมีแห่งเจ้า ทรงการลบกับพระองค์เองว่าเลือกเอาเถิดเรามีโอกาสจะเลือกแล้วจะเลือกเดินทางแห่งพลายลภาพหรือทางแห่งเมตตาจะเลือกปกครองราชอาณาจากักรด้วยคมราบหรืออาณาจักรอั น, าาอนร่มเย็นร า, า, าชสจาอาเซียใดๆอาณาจักรที่ไม่มีเสียงโอดครวญโหย่ให้จะเลือกเอาทางโชว์ราชลถต้องหมุนไปด้วแล้วที่โชคเลือดหรือจะนั่งบนรรม ซึ่งหมุนไปโดยปราศจากการเบียดเบียนนำแต่ความผาสุกร่วมเย็นติดไปทุกคนทุกแข่งโปรยปลายธรรมรัตนะซึ่งมีผลเป็นอมตะให้คุณทั้งหลายได้ดื่มอมฤตคือธรรมรสอันปรสริงเลือกเอาเถิดเรามีทางจะเลือกแล้วจะให้นามพวกเราต้องจาลึกในเดือดแดงของเพื่อนมนุษย์หรือจาลึกในน้ำใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความสานึกคุณในฐานะผู้ให้แต่เมตตากรุณา ยิ่งกว่าเทพเจ้าที่พวงชนพาคนอ้อนวอนร้องขอความช่วยเหลือ พระเจ้าทั้งหลายเอ่ยตั้งกี่พันปีมาแล้วที่ดวงมนุษย์คุกเข่าลงทั้งที่มีดวงเน็ดชุ่มด้วยน้าตามีหารุไทยอันแห้งผากขอร้องมีความท่านเพื่อช่วยบำบัดทุกข์แต่ท่านทั้งหลายได้ทําอะไรให้แก่พวกมนุษย์เหล่านั้นบ้างกรรมยานถูกเผาไปนับไม่ได้แล้วว่ามากเท่าไรเพื่อบูชาท่านเพื่อให้ท่านได้รับรู้ถึงความทุกข์เห็นของพวกเขา เลือดในคอของสัตว์ผู้รับบาปได้ไหลาลางวันแล้วมากๆเพื่อทำความพอใจให้แก่พวกท่านถ้าจะนำมารวมกันก็คงจะเป็นทะเลสาบเลือกที่กว้างลึกแต่สิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายได้รับตอบแทนมาก็คือความว่างเปล่ า, ว, าว้าวเวไร้หวังโลกจินขาดที่พึ่งขาดที่พึ่งเสมอมาเราจะปล่อยให้โลกขาดที่พึ่งไม่ได้โลกจะต้องมีที่พึ่ง เราเนี่แหละจะเป็นโลกนาะเป็นที่พักพิงใจของโลกเราจะช่วยโลกและช่วยเทพเจ้าทั้งหลายด้วยเจ้าชายศิษฏฐะทรงตัดสินพระทัยอย่างแน่วแน่ว่า กษัริยราชอาณาจักรออกผนวดจาริกเป็นโ ด, ดเดี่ยวเพื่อสแสวงหายามาบำบัดโรคเกิดโรคแก่เจ็บและตายพระองค์ทรงคอยแต่โอกาสเท่านั้นเวลานั้นพระชนมายุของพระองค์29พรรษา พระองค์ต้องรอคอยการตัดสินพระทัยจะต้องทรงตรองอย่างหนักก็คือจะตรัส บ, บอกเรื่องนี้แก่พระชายาและแก่สมเด็จพระชนกหน้าหรือไม่เรื่องที่สมเด็จพระราชบิดาจะทรงอนุญาตจะโดยดีนั้นอย่าหวังเลยแต่เมื่อทรงทราบเหตุผลตางประการอาจจะทรงคอยตามบ้างแต่คงยากเหลือเกินส่วนพระชายานั้นต้องเศร้าโศกเสียพระทัยเป็นอย่างมาก มีแต่จะกีดขวางทางบรรพชาพระองค์ทรงดำเนิเรื่องนี้อยู่หลายครั้งหลายหนในที่สุดจุตัตสินพระไทยทูลให้สมเด็จพระราชบิดาทรงทราบและให้พระชายาทรงทราบถึงความตั้งพระหาวิทยของพระองค์การจะสาเร็จหรือไม่นั้นไว้แก้ไขเอาภายหลังทรงดำริเช่นนี้แล้ววันหนึ่งเป็นโอกาสดี เจ้าชายได้ชวนพระชายาคือพระนางยาโสธราเข้าเฝ้าพระเจ้าสุทธทณาลูกมีเรื่องอะไรดูท่าทางหม่นหมองมีอาการติดตรองอะไรอยู่ตลอดเวลายะโสธราละ่ะเป็นอย่างไรสบายดีรึดูท่าทางมีความทุกข์ด้วยกันทั้งคู่มีเรื่องทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าหาไม่ได้เลคะไม่ได้ทะเลาะอะไร ยังมองฉันไม่มีความทุกข์อะไรเสด็จพี่ชวนมราเก้าม่อมฉันก็มามีเรื่องอะไรหรือเล่าสิทัชาหรือว่ามาเยี่ยมพ่อเฉยๆอา น, นี่ออกนอกวังบ่อยๆได้ความรู้อะไรมาบ้างได้มากทีเดียวพยค่ะเออได้อะไรบ้างลองเล่าให้พ่อฟังสิ ได้เห็นความเป็นอยู่อย่างแท้จริงของประชาชนพลเมืองของพวกเราพยาค่ะแล้วอะไรอีกได้เห็นความแย้แนความทุกข์ยากของพวกเขาได้เห็นความเจ็บป่วยความแก่และความตายอยู่ดาตือในเมืองของเราพยาค่ะลูกเห็นแปลกละสิพยาค่ะเพราะหมอมฉันไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เป็นเรื่องธรรมดาเท่งนั้นแหละลูกที่ไหนๆก็มีความแรแ้แสความทุกข์ยาก ความแก่ความเจ็บและความตายมันเป็นเรื่องธรรมดามีมาพุมพร้อมกับที่มีโลกนี้มาไม่มีทางไดจะแก้ไขเรื่องนี้เลยหรือพยคะเรื่องอะไรเรื่องความทุกยากความแบรนด์แคนเรื่องความแก่ความเจ็บและความตายพยาค่ะไม่มีดอกลูกตราบใดที่มนดเรายังเกิดมนุษย์ทุกคนก็ต้องยอมรับภาวะที่หลีกไม่พน ความแก่ความเจ็บและความตายสัปรปสัตว์ทั่วหน้าก็เป็นอย่างนี้ไม่มีใครคิดแก้ไขเลยหรือพยาค่ะมันไปเรื่องแก้ไขไม่ได้ต้องตายให้มันเป็นไปตามธรรมดาเจ้า ช, ชายสิทธะทรงนิ่งตรองอยู่คู่หนึ่งก็แสลมอ่อนได้พัดผ่านมาทางช่องพระแก่คลุ่รดอกไม้ที่ปลูกไว้ใกล้พระตำหนัก โรยรรินเข้ามากับสายลมยน่าจะแก้ได้พยาค่ะ ธรรมดาสิ่งในโลกนี้ย่อมคู่กันและแก้กันได้เสมอเช่นมีร้อนก็มีเย็นแก้มีเมืก็มีสว่างแก้มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายก็น่าจะมีภาวะที่ตรงข้ามบอนฉันอยากจะลองแสวงหาวิธีการอะไรสักอย่างหนึ่งมาแก้ลูกคิดมากไปแล้วสิทธดาลูกยังเป็นหนุ่ม หาความสุขในรั้วในวังของเราก็มีอยู่มากมายพอที่ลูกจะกอบโขยเอาไปได้โดยไม่ยากทำไมจึงคิดเรื่องเล้ยวไหลมากลู่นอกทางที่คนอื่นเขาไม่คิดกันยโยโซทราว่าอย่างไรเจ้าหญิงแห่งเทวทหะาชายพระเมษมองมาทางทระสวามีอย่างวิงวอนแต่ไม่ได้ตรัสอะไรหม่อมฉันได้เห็นนักพลิบางหัว สละบ้าเรือนออกอยู่โดดเดี่ยวเพื่อสแสวงหาทางพ้นทุกข์เาคงกลัวความแก่กลัวความเจ็บและความตายกันมัง พยากรค์ขรามแปดคนว่าพระราชโอรสอาจเป็นจักรพรรดิหรือออกบวชเป็นศาสดาผู้นำทางจิตใจแก่ประชาชนชาวโลกพระองค์ทรงวันไว้ต่อเรื่องนี้เป็นอันมากจึงรีบแก้ว่าลูกรักนักโทษเหล่านั้นก็เอาชนะความแก่ความเจ็บและความตายไม่ได้ในที่สุดเขาต้องแก่ต้องเจ็บและตายเหมือนคนทั้งหลาย ลูกจะควนขวายอย่างนักพรกเหล่านั้นเพื่อประโยชน์อะไรเนื่องจากในระยะหลังนี้เจ้าชายทิฏถะได้ทรงศึกษาเรื่องกฎแห่งสังสารวัตรทรงทราบถึงการเวียนว้าตายเกิดแห่งสัตว์ทั้งหลายที่ตายแล้วเกิดเล่าวนเวียนอยู่ในกรรทุกกองโศกไม่สิ้นสุดพระองค์ประสงให้การเกิดในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายจึงทูลพระราชบิดาว่ามณ์ฉัน อยากจะล้องขวนขวายออกบวชเป็นนักทดอาจจะพบวิธีแก้ปัญหาเรื่องเกิดแก่เจ็บและตายและหากสำเร็จก็จะเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างหาที่สุดไม่ได้อย่าเลยสิทศอย่าคิดไกลเกินไปแล้วลูกยังเป็นหนุ่มมีเกสาดำควรจะหาความสุขในวัยหนุ่มอันนี้อยู่พร้อมแล้วให้เต็มที่พ่อยอมให้ลูกทาอย่างนั้นไม่ได้ดอกการบวช จะประเสริฐกว่าการเป็นราชาปกครองแผ่นดินไปไม่ได้ กาเรื่องนี้กับสมเด็จพระราชบิดาไม่ได้ผลเจ้าชายสิทธัตถะจึงทูลากลับไปสู่ตำหนักแห่งพระองค์พร้อมด้วยพระชายาแต่ความตาดธนาที่จะออกบรรพชาแสวงหามโมคธธรรมของพระองค์นั้นได้โชดต์ตาการอยู่ตลอดเวลาไม่อาจดับลงได้ความเบื่อหนายในโลกียอารมณ์ได้เร่งร้าพระไถ่ให้พระองค์ต้องการออกไปจากรวังจากวงล้อมแห่งสิ่งอันเป็นมายาทั้งหลาย านานสสพเพื่อนางยะโสธราทรงทราบเพื่อนี้โล่งหน้าอยู่บ้างแล้วเพ่านางมีแต่ความหม่นหมองคิดว่าวันหนึ่งความทัดพลาดจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนจึงทูลรำพันกับพระราชสวามีว่าโทนลระหม่อมเวลานี้หม่อมชั้นคังแก่มากแล้วจะพลาดวันใดก็ยังรู้ไม่ได้ การอยู่ใกล้ชิดพระองค์เป็นความอบอุ่นเป็นความสุขแก่หม่อมฉันอย่างหางอะไรเพียบไม่ได้ชีวิตของหม่อมฉันมีพระองค์เป็นธงชัยหากขาดพระองค์แล้วชีวิตนั้นจะขาดสะบ้างลงหาความหมายอันใดไม่ได้เหมือนผืนธงที่ตายจากเสาเป็นสิ่งเชื่อจูรั้งแต่จะร่วงหล่นลงมาสู่เบื้องต่ำ ค, คลุกครีทุนีขอได้โปรดเถิดทูลกระหม่อม เจ้าชายสิทธัตถะจึงตอบว่าเบาก็ไทยเถียจะโศตราชรักเธอรักสมเด็จพระราชบิดาแต่รักคนทั้งหลายหากฉันจากไปก็ไปเพื่อเธอเพื่อความสุขของเธอในอนาคตไม่ว่าเพื่อใครเท่านั้นมันฉันไม่อยากให้พระองค์จากไปหากพระองค์รักผมฉันรักสมเด็จพระราชบิดาและรักคนทั้งหลาย พระองค์ก็ควรอยู่กับหนมฉันอยู่กับพลเดจพระราชบิดาและอยู่กับประชาชนทั้งหลายเพื่อเป็นที่อบอุ่นใจแห่งเขาเหล่านั้นพระศิทธ ก, ท ร, กทรงนิ่งพระนางยะโสธราน้ำะเนมตไหลลงอาบพระพัก than n ตลบสายน้ําที่ไหลเอื่อยผ่านอุทยานแห่งนั้นเสียงมุกร้องและกระแสลมผสมผลุหญ้าที่มีสีเขียวสดเจ้าชายทรงสนทนากับขา้าราชบริพารที่ตามเสด็จด้วยพระกระแสเสียงที่สุภาพอ่อนหวานเบาแต่แฝงเอาความไพเราะไปทุกเนื้อท้อยกระทงความจับใจผู้ฟังศุริยายองแสงาสาดไปทั่ออุทยาน นรนรีบางพันมีอาคารเสมือนอะไรกับดวงอาทิตย์ที่กำลังจะรับขอบปลาทางด้านตะวันตกนั้นก้อนเมกสลับลูกสลับสีอยู่ไม่ได้ขาดแต่ลอยเลื่อนไปมาพึงเพิษทำให้เจ้าชายเนเรื่องขยวนพระไทยลงได้บ้างแต่แล้วเมื่อจวนย่า ง, งสนธยานั่นเองมหาดเล็กของพระองค์ได้มากราบทูลว่าพระชายาประสูติพร ะ, ะโอรสแล้ว ถ้าเป็นคนอื่นคงดีใจที่กระโดโดโลดเต้น ม, มหาลกูกแต่พอที่ชั์กัดซองโสดไทยอุทานออกมาว่าบ่วงเกิดขึ้นแล้วเครื่องผูกมัดเกิดขึ้นแล้ว มีอาคารเสมือนอะไรตระดวงอาทิตย์ที่กำลังจะรับขอบฟ้าทางด้านตะวันตกนั้นก้อนเมฆสลับยูกสลับสีอยู่ไม่ได้ขาดแต่ลอยเลื่อนไปมาพึงพิศทำให้เจ้าชายโมมเรื่องกังวลพระไทยลงได้ด้างแต่แล้วมเมื่อจวนย่ำสนธยานัอเองมหาดเล็กของพระองค์ได้มาการาบพูลว่าพระชายาประสูตพิพระาจะโอรสแล้วถ้าเป็นคนอื่น คงดีใจรีบประโดดกรเต้นมหาลูกแต่โพธิชัดกลับทรงสนดพระไทยอุทานออกมาว่าบ่วงเกิดขึ้นแล้วเครื่องผูกมัดเกิดขึ้นแล้ว แ, แล้วเจ้าชายก็เสด็จกลับสู่พระราชอุทยานเจ้าหญิงกีษาโคตมีประทับยืนอยู่ที่สีห บ, บัญชรทอดตะเล็งเจ้าชายสิทัศนะเสด็จดำเนินอย่างสง่างาม แต่ทรงทราบเชิงนในพระอธัธยาศัยจึงกล่าวขึ้นในเวลานั้นว่าผู้ใดเป็นมารดาเป็นบิดาเป็นบุตรและชายาของเจ้าชายพระองค์นี้ผู้นั้นย่อมได้รับความเย็นใจอย่างยิ่งเป็นแน่แท้เจ้าชายราชทายาทแห่งแคว้นส ก, ก่าทรงพาพระไทยในคำของเจ้าหญิงกิสาโคตมีจึงทาสร้อยภาษาได้ทำได้ไขม่มุก บ่าพยายจะหญิงเป็นรองรงันแห่งไมตรีและกล่าวว่าโคตมีในกบิลภัณฑ์นี้เห็นจะมีแต่ท่านเท่านั้นที่ทรยาบซึ่งอัธยาศัยของข้าพเจ้าว่าเป็นฉันใดน้ําใจกองข้าพเจ้าที่คิดจะช่วเหลือโลกมีท่วงทอ น, นทวีเมเรื่องประโยชน์ใหญ่ก็จําเป็นอยู่บ้างไม่ใช่หรือถ้าจะย้อนสลากประโยชน์ส่วนน้อยมองดูอย่างผิวเผินแบบคนทั่วไป เหมือนเป็นการเห็นแก่ตัวแต่ความจริงเป็นการเสียสละอย่างใหญ่หลวงลูกเมือของขายเล่าจะไม่รับแต่ข้าพเจ้าทนไม่ได้ที่จะมองดูเขาจนเหยู่อห่วงทุกตลอดไปครั้งแล้วครั้งเล่า รู้สึกในความเป็นพ่อคุณแต่ความเศร้าในเรื่องเป็นห่วงพระโอรสที่จะต้องเกิดแก่เจ็บและตายไปนในที่สุดนันได้เข้ามาบันทอนความรู้สึก ด, ดีพระไทยในการมีพระโอรสนั้นเป็นระยะระยะเมื่อถึงพระตำหนักทรงจงรงไปในห้องบันเทิงของพระนางวสุธราทรงก้มลงจุงพิกพระโอรสน้อยกต่เพียงแถวเบา พระนางยโสธราเอื้อมพระหัตมารับสัมผัสพระองค์ุลีของเจ้าชายพระเนตรคลาดพระอสุชนพระนางทรงรู้สึกสังหระ์ทายว่าน่าจะทงสูญเสียอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมีความหมายยิ่งใหญ่สำหรับพระนางเองเจ้าชายทรงเห็นพระอาการแห่งพระชายาเช่นนั้นก็ก้มลงจุ่มพิษเบาๆที่พระอาล่าด้วยความสงสาร แล้วยังจะต้องรับภาระความแก่เจ็บและตายของคนอื่นซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันธุ์ขต้นข้าวีลองคิดดูเถิดจะเป็นภาระหลักสกปานใดมันเป็นเรื่องซ้ำๆซากวนไปเวียนมาที่มีที่สิ้นสุดตายกันไปแล้วเกิดใหม่แล้วเจ็บแก่และตายอีกโอ้โลกและชีวิตโลกและชีวิตมีเพียงเท่านี้หรือ มีอะไรบ้างไหมที่ดีกว่านี้สูงกว่านี้ที่ไม่ต้องวนเวียนอีกต่อไปเจ้าชายทรงระบิดมาถึงเพียงนี้ก็ได้สดับเสียงดนตรีกระหึ่มขึ้นมาในห้องโถงหน้าห้องบรรทมของพระองค์มาอีกแล้วทรงอุทานได้ทรสนรู้สึกลําคาเล็กน้อยมาอีกแล้วพวกนักดนตรีนักประพันล์รำ้อนเขาคงคิดว่าเรามีความสุขเหลือเกินแหละนะ ที่ได้ดูเขาร่ายรำและฟังดนตรธธีที่ประจบดีและบรรเลงอย่างสุดฝีมือเขาหารู้ไม่ว่าความรู้สึกของเราเวลานี้เป็นอย่างไรปก็มองดูพวกเขาร้องรำเหมือนมองดูคนบ้าเห็นพวกร้องเพลงเหมือนพวกร้องให้แต่ฟังเสียงเพลงเหมือนเสียงคล่ำคลวนโหยห้เพื่อความทุกข์ทรมานอ้เล่าจะเป็นความรื่นรมสำหรับเรา ผู้มีความคิดอยู่เช่นี้แต่เขามาตามหน้าที่ตามทีส่สมเด็จพระราชบิดาทรงกําชัดและเลือกสรรไปเขาทําตามหน้าที่ของเขาเท่านั้นเราก็ควรทําหน้าที่ของเราบ้างเราดูและฟังประกาศหน้าที่อาจได้ความรู้อะไรเพิ่มขึ้นบ้าง ร m กา e ุนี ดับดนตรีด้วยพระเนตรและพระไทยเพียงครึ่งเดียวเพราะพระไทยขอพระองค์เมืม่อหมกบุ้นอยู่ในปัญหาบางอย่างพระองค์ทรงรู้สึกว่าสิ่งนั้นคุ้มค่าในการคิดคือปัญหาว่าทําอย่างไรพระองค์และคนทั้งหลายจึงจะเลื่องล้นจากความแก่ความเจ็บและความตายความโศกเศร้าเสียใจพิรัยล้ำพันธ์และความทุกข์ทรมานต่างๆโดยชื่นเชิง ทำอย่างไรจึงจะถอนน้ำแห่งชีวิตออกเสียได้มันคอยเสียดแทงทั้งกายและใจให้ระกำช้ำชอกอยู่ไม่วายทำอย่างไรจึงจะดับกิเลสตัณหาอารมณอุก อ, อยู่ในัวใจของคนทั้งหลายให้หมอดลงเพลิงกิเลสกล่าวคือความโลภความโกรธและความหลงความกำหนัดย้อนใจในรัชญารมณ์ต่างๆและเพลิงทุกข์คือความแก่ความเจ็บกระสาบตายซึ่ง ข่ำหันย่ำยีไม่เรืยกใครเลยเนื่องจากทรงคิดมากในเรื่องนี้พระองค์จึงทรงอ่อนเพลียและหลับไปในข้ามกลางความเคลื่อนเพลงแห่งเสียงดนตรีและเสียงระบียงรำยั่วทั้งสองอย่างนั้นที่อาจครอบความแท้ใจให้พระองค์ทรงทอดเธอได้หญิงนักฟังทงลายได้สังเกตเห็นว่าเจ้า ช, ชายบรรทมหลับไปแล้วจึงหยุดร้องรำทำเพลงตั้งใจว่า เมื่อเจ้าชายตื่นมาถมพวกเขาทั้งหลายก็จะบลิงดนตรีกล่ำพระไทยกันต่อไปแล้วต่างนางก็เอนกายลงนอนพักผ่อนแต่เนื่องจากเหนื่อยมากพอเอนกายลงนอนก็หลับอยไป บรท ม, มทรงเหลียวดูโดยรอบทรงตลาดพระไทยและขยะขยงในสิ่งซึ่งพระองค์ได้ทอดแรลเหรนในขณะนั้นหญิงทุกคนที่ถือกันว่ า, าน้ำที่สุดในประเทศบัดนี้นอนประกับอู่ทั่วไปตามพื้นห้องมีอาการหน้าขยะขยงและด้วยท่าทางอันไม่น่าจะเป็นไปได้ถึงขนาดนี้ นอนตนเหมือนหมูทั่วไปลางนางนอนอ้าปากลางนางนอนน้ำลายไหลาจากมุมปากลงเลอะเครื่องแต่งตัวลางนางกำลังกัดเชี่ยวเหมือนปีศาจกำลังโจรธแต่ละนางล้วนหน้าเกลียดหน้าขยงจนถึงกับเจ้าชายทรงประหลาดพระทัยว่าก่อนหน้านี้พระองค์ทรงรู้สึกพอพรทัยในกลไกหลายเหล่านี้ได้อย่างไร ภาพแผ่นสเตยอตนาขยะขะแยงนั้นเป็นสิ่งสุดท้ายที่เร่งร้าวพระไทยของพระองค์ให้มีความมุ่งมั่นในการละโลกยารมทั้งปวงไปสู่ทางแห่งบรรพชาพระองค์ทรงปักพระไทยแน่แน่แล้วที่จะสแสวงหาความจริงแห่งชีวิตอันไม่มีมายาเคลอบคลุมแอบแฝงจะสามารถนำมาแก้โรคร้ายคือความแก่เจ็บและตายระงับราคะ โทสะและโมหะโดยสิ้นเชิงเจ้าชายเสด็จเข้าสู่ห้องบรรทมทอดพระเนตรพระชายาซึ่งหลับสนิทพระกรข้างหนึ่งกบพระโอรสน้อยพระองค์ทรงดั่งว่าหากจะยกพระกรของพระชายาขึ้นจมพิษเพื่อร่ำลาหรือจะยกพระโอรสขึ้นมาอุ้มสักครั้งหนึ่งก่อนจากพระนางก็จะตื่นมันธมการตื่นของพระนางนั้น จะเป็นจริงขัดขวางการจากไปเพื่อแสวงหาสัจธรรมของพระองค์ เพระพักนั้นยังชุ่มโชค ด, ด้วยอสุชนทรงมองดูพระโอรสน้อยซึ่งเพิ่งประสูติเพียงวันเดียวด้วยพระหฤทัยที่เปลี่ยได้วยเมตตาพระไทยของพระองค์นั้นอ่อนโยนิ่งนัก หนุพระไทยในการจากแยกหนึ่งแห่งดวงปัญญาซึ่งโผล่ชำระอาสวะขึ้นมานั้นทํำให้พระองค์ได้มางเห็นทางออกให้ถูกต้องชัดเจนเสมือนฟ้าแลบในราตรีอันลึกถึกให้คนเดินทางได้มองเห็นทางที่จะเดินต่อไปข้างหน้าเพราะโพ้ทสัตว์จริงตั้งพระไทยแน่แน่ว่าคืนได้แล้วเป็นคืนสุดท้ายแห่งชีวิตในร่วงวัง ชีวิตที่ถูกกักขังอยู่เหมือนนกน้อยในก่งทองแม่ทรงปล่ยลำพัมออกมาเบาๆขณะที่กำลังเพ่งพิษพระแท่นมาทมว่าไม่มีวันที่เราจะได้มานอนที่นี่อีกแล้ว ีชนิดแล้วทรงหมุนกลับดำเนินออกไปแต่แต่ทำไมรู้สึกว่าพระบาทของพระองค์หนักอึ้งเหมือนไม่อาจจะยกขึ้นดำเนินต่อไปได้ช่างหลักและก้าวออกยากเสียเหลือเกินเจ้าชายจึงดำเนินกลับมาสู่ประแทนมันทมอีกครั้งหนึ่งความอาลัยอาวร์ในพระโอรสและพระชายาได้ท่วมท้นกึ้นอีกพระองค์ ก้มลงเพื่อจะจุมพิตพระชายาเป็นครั้งสุดท้ายเป็นกาลาเมื่อพระนาสิกเจื้ญเจะจญรถพระตาอยู่แล้วก็ส่งชนักเสียพระเกรงว่าพระชายาจะตื่นและนั่นคืออุปสรรคให้การจากไปของพระองค์ แย่งภาพสุดท้ายคืออากัปกิริยาของนางระบำดามฟอนได้โผล่ขึ้นในพระทยัยกาที่นั้นพระองค์จึงหันเหและหันหลังให้พระแท่นบรท ม, มแล้วก้าวขอดันเดินห่างออกไปแต่แล้วความอาลัยอาวรก็เหดือร้างพระองค์ไว้อีกทรงกระทาอยู่เช่นนี้ถึงสามครั้งในครั้งที่สามพระองค์ต้องเอาฉลองพระองค์คลุมพระเสียง เปิดม่านแล้วเสร็จออกไปพ้วกพระทยที่แน่วแน่ว่าจะไม่กลับมาอีกเลย กลุ่มสตรีนักระบาดรำฟอนที่นอนระเกต ร, ระกะอยู่เสมือนซากศกไร้ญาติที่เขานำไปทิ้งไว้ณป่าชา้านางเหล่านี้มาตื่นอยู่ประกบอบด้วยสติสัมปชาัญญะพูดจายิ้มหัวและมีอากับปฏิกริยาต่างๆที่แต่งขึ้นเพื่อยั่วยวนบุรุษให้หลงไหลแต่เมื่อนางนอนหลับปราศจากการควบคุมตนช่างดูน่าเกลียดหน้ากลัวหน้าขยะขยงสนที่ไร นางที่กลนอยู่และถอนหายใจแรงเหมือนหมูนางที่นอนล้มลายไหลและกัดกรนดังกรดกร๊ดก็คงทําอยู่เช่นเดิมความเม่เสียดสตรีและความเบื่อหนายได้เอือท้นขึ้นในพระไทยของเจ้าชายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยทรงยืนก่อนพระอุระดูนางผู้นั้นอยู่พักหนึงแล้วเดินประพักเสด็จเนินออกไปภายนอกเป็นสถานที่โล่งแจ้งใกล้ประสาท คือสนามหญ้าที่มีหญ้าอ่อนเขียวสดขึ้นอยู่ราบเรียปรบปลูกปูด้วยสีเขียวแต่ในตาจีเช่นนั้นสีเขียวนั้นกลายสีคล้ายหิรัญยพัน สงองแสงนวลลงสู่พื้นเมทนียอดปราสาทเป็นประกายวาววับเมื่อกระทบแสงโสมนนพระพิทักษะทรงเพ่งมองไปเบื้องหน้าสายประเทศจรบอยู่ที่พื้นสนามทรงถอนพระไทยอย่างหนักห่วงขณะนั้นพระพายโชยเฉยเฉีวมาต้องชายฉลองพระองค์ให้สะบัดอยู่ไหวๆไวใกล้รัชมีกรกรมโตนั้น มีดวงเนตแห่งลาตรีคือดาราหลายดวงกระพิถธธีสมัรต้องการความแน่พระไทยของพระโพธิสัตว์จ้องมอพระองค์ด้วยความมับแต่ความหวังว่าบุคคลผู้นี้แหละคือผู้ช่วยโลกผู้ยังโลกให้ข้ามฝั่งอังกัรดานสู่แดงเกษมหากพระองค์ทรงทอดพระไทยทอดทิ้งสัตว์ตวโลกเสียมุ่งแต่ความสุขความสำนานส่วนพระองค์แล้วสัตว์ตโลกจะไร้ที่พึ่ง คนหนึ่งควายเปรี่ยวตาบอดสนิททั้งสองข้างสมซานอยู่ในป่ารกรางแต่จะซุกซ่อนเข้าไปในสมทุนพุ่มหนามเจ้าชายทรงรู้สึกป่อโปร่งพระไทยพระวรกายเล่าก็ชุ่มเย็นได้ลมเดึกและแสงจันทร์รวมทั้งกลิ่นควงยุประชาติที่ขีดเกร็ดอยู่ในยามที่พาการแย้มกลีดตั้งออกเพื่อทรงกลิ่นอันหอมลเรื่อนชื่นใจในยามราตรี เสมือนหนึ่งว่าวิญญาณของพระแม่ธรณีฟื้นผวาขึ้นโดยหวังในสิ่งหนึ่งซึ่งปรากฏให้เห็นเพียงรางๆนั่นคือการสเสด็จออกมหาพิณศกรมของพระโพธิสัตว์เพื่อช่วยสัตวโลกให้พ้นภัยท่ามกลางดอกไม้อันขยายกลีบทรงกลิ่นรวยละรื่นข้ามกลางกระแสลมอันโชยเฉยฉีวท่ามกลางแสงจํนนวนผ่อง แต่ท่ามกลางดวงดาราดังกล่าวมาแล้วนั่นเองเจ้าชายทิตถตาโอรสแห่งพระธามายาก็ตกหลงพระไทยอย่างแน่วแน่ที่จะสแสวงหาสัจจะแห่งชีวิตพระองค์ทรงอุทานบาบาๆวา่ายาก่อนปราศาทวสวังอันแพรวาวโออาเป็นหนึ่งทิพยวิมานยาก่อรัชเดจพระราชบิดาและพระนานางผู้เป็นเสมือนมารดาบังเกิดกล้าว พระชายาผู้อ่อนหวานยิง่งงามยิง่งและมีความอะไร ย, ยิ่งในเราโอรสผู้เพิ่งมันเกิดขึ้นในโลกเพียงยังไม่ข้ามวันนางผู้เลอโฉมทั้งหลายที่ตั้งใจบ่มเบอเราด้วยรูปเสียงขลิ่นรสและผัสสะซึ่งทําให้เราลุ่มหลงอยู่เป็นเวลานานอมหาบงตรีผู้เป็ที่คุ้นเคยแห่งเราตลอดถึงถวยราชผู้จงรักลาก่อน สิ่งทุกอย่างที่ให้ความสุขให้ความอบอุ่นแก่เรามาเป็นเวลาถึยี่สิบเก้าปีเราจะไม่ลนมสิ่งเหล่านั้นและบุคคลเหล่านั้นเราจะกลับม า, าด้วยผลสมเร็จเพืแก้ปัญหาที่มีดีใครแก้ได้เป็นเวลานานมาแล้วเจ้าชายเสด็จะาุบนายชนะผู้เป็นสารถีประจาพระองค์นายชนะลุกขึ้นยังนงวงเหว่ยพรางกะ่าวว่าจะทรงทำอะไร และจ ะ, สะเสด็จไปไหนในยามข้ามคืนตึกเตือนช่นี้